<Book> <68. S 3> บุ๊กทูหกสิบแปดอรวะ ย, ยันนีม่ดีใหญ่เล็กเป็ดดีชิ่นดีใหญ่และเล็กเป็ดดดีมาริโอชิ่นดีช้างตัวใหญ่ ยนึกว่าเป็ดตัวกุ่ตุดีหนูตัวเล็กเยลุกาชิ้นนิดก็อุ่นตุ่ดมืดและสว่างชีกัดดีเวลุกูตอนกลางคืนมืดราตรีชีกติดก็ุนตุ่ดีตอนกลางวันสว่างป้วลุุวดจิมุตุนุ แก่ชราหนุ่มสาวมุสลีปดชุคุณปู่คุณตาของเราแก่มากมาตาตะการุชาลมุสนิวาโรเจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่มเดบเบยเยลกรติ้มาไอนะ่าิงกับปัจจุกานเี่อุณ น, นารุ สวยและน่าเกลียดอันดับกรูปีผีเสื้อสวยสีตะกกกระจิลกะอันดังก็วุ่นดีแมงมุมน่าเกลียดซาลีดูกรุปีกะวุ่นดีอ้วนและผอมลาวูสันนัมผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน วันละกิโลโละบรูนนาลาว์กุ้่นนัทเล่เลขะผู้ชายที क क ่หนักห้าสิบกิโลผอมยาบายกิโลลบรูนนามาการูสันาก้าวุ่นนัทเล่เลขแพงและถูกขายดูจับบักกะรถราคาแพงคารุนดี หนังสือพิมพ์ราคาถูกสมาชิกอัฐัทรัมชาวใกล้เนตี